โกสเรดิโอสนับสนุนโดยวินเดอร์กรสัสกา้าฝากง่ายจ่ายคงการันตีการเงินร0 0เปอร่ะครับเราจะมาลุยกันต่อครับที่เราข้างค้างกันไว้หลายคนรอกันอยู่เรื่องของคุณบอยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อกี้ ฟังกันไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับเล่นเอาหลายคนขนหัวลุกขนหัวตั้งนะครับคุณบอยยังมีประสบการณ์ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยกลัวกับเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้มากที่สุดครับมาติดตามฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมไปปลดทุกมาทุกสิ่งทุกอย่างแบบโล่งมากเลยเมื่อกี้มันขนลุกจริงหืมงงไปมันไม่มีใครอ่ะเมื่อกี้พี่บัตรก็ไม่อยู่โจ๊กก็ไม่โจ๊กมันก็นั่งอยู่ข้างนอก เออนะฮะผมก็แบบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาคุณค บ, บอยบมาลุยกันต่อครั บ, รบอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งครับผมอืมอา่าย้อนกลับไปอา่าถ้าเกิดพูดประมาณเขาเรีออยกยงไงดีอ่ะคือผมเริ่มงานได้ประมาณปีกว่าครับอา่าเริ่มงานกับเพื่อนได้ปีกว่าทีเนี้ยบังเอิญเราโชคดีที่เราได้คอนแทคจากจากอ่าลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่า เนี่ยเขามีเพื่อนอยู่คนนึงเขามีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าเป็นบ้านปูนผสมผสมไม้ซึ่งเป็นไม้เนี่ยไม้เป็นเรือนไทยอืเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทําัญกวานั้นที่บ้านเนี่ยเขาปลูกต้นกล้วยทางนั้นเลยอือลูกแต่ต้นกล้วยเขาไม่ปลูกต้นไม้อย่างอื่นเลยแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเนี่ยน้องบอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านพี่เน่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ช่วยเขาไปดูแลบ้านให้หน่อยเพราะว่า เด่นเลยนะมันมีต้นไม้ล้อมบ้านแล้วบ้านเขาว่าก็าจะมีในส่วนที่เป็นไม้ด้วยที่เป็นแบบจแบบัดวาเป็นเครืลายส น, นุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเอออยากให้ดูแลเรื่องแมลงให้หน่อยเขาก็เขาปลักบ้านของเขาอมผมก็เพื่อนก็โอเคออกตกลงแนละ้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูสถานที่ก่อนตอนเช้าเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปสำรวจว่าเราเราจะสะโคลงในการทํางานบ้าน้อยแค่ไหนหอีกตรงหนึ่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มาวางแผนเรื่องกันทางานือน ตอนนั้นเขาดันประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงแล้วเราก็เข้าไปที่บ้านเนี่ยมีมีอคนดูแลบ้านอยู่คนหนึ่งนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นน้ำมาพาศเป็นน้มาพาศและนั่งอยู่บนรถเข็นไม่ได้เป็นน้ำมาพาศแบบนอนอะไรนะครับแต่เป็นน้ำมาพาตและนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วไม่ขยับเลยจะมีแค่คนดูแลคนเนี้ยดูแลบ้านเนี่ยดูแลทั้งบ้านและดูแลทั้งคนผู้ป่วยคนนี้ซึ่งเป็นป้าคนนึง นะครับก็จะพูดไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือขยับตาออืขยับตาขยับมือขยับแขนขยับอะไรไม่ได้เลยครับแต่ขยับตาได้อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปแล้วเราก็แนะนําตัวแล้วก็บอกเขาก็พาเราเข้าไปดูว่าสกุล ง, งานเป็นยังไงอะงไงยังไงที่ผมก็เพื่อนเข้าไปแล้วตกใจเลยอคือชั้นล่างเนี่ยไม่มีอะไรชั้นล่างก็แค่เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านธรรมดาที่มีตู้เย็ยนมีตู้กับข้าวมีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ย แต่ในส่วนที่เขาจ้างให้ผมดูแลเนี่ยคือชั้นสองอซึ่งมันเป็นเรือนคล้ายเรือนไทยตัดครึ่งนึงอะพี่ข้างหล่าเงจะเป็นปูนใช่ไหมครับทีนึกรับเรือนไทยออกเนาะอะเป็นเรือน <อา S 1> ไทยกึ่งไม้กึ่งปูนอะไรประมาณนั้นนะครับ <อา S 2> ก็เหมือนกับเป็นเรือนสมมติเป็นเรือมมนอไทยข้างหลังแล้วพักแค่ครึ่งครึ่งบนนํางมาไว้บนบนปูนครับอย่างนั้นนะครับอแล้วพอเดินขึ้นไปมันกลายเป็นว่าที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นกู้เป็นตู้กระจกออื และเรียงอยู่ทั้งหมดเรียงเท่าที่ผมจําได้มีอยู่เพียงหกตู้เลยกันครับ<ถ>ซึ่งในตู้เนี้ยมีชุดนางลําอืมผีชุดนางลําแล้วก็ชุดนางล้ำชายหรือชุดนางลําหญิงแล้ว ก, <c oughs> วกเป็นชุดครับเป็นชุดละมัเกียนอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นโขน เ, น, เนเป็นอะไรเป็นไปหมดเลยแล้วอยู่ในตู้ผมก็ถามเขาว่าพี่ทําไมามีชุดเต็มไปหมดเลย อ, อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่สมัยก่อนอ่ะออื เป็นสถานที่ที่เอาไว้สำหรับสอนในการลำ้ำ mm hmm. แล้วกขจะมีผู้บรรดาคู่กอ่ะเขาก็มาใช้สถานที่แล้วก็สอนเด็กนักเรียนของเขา mm hmm. และใช้สถานที่เนี่ยในการสอน mm hmm. บอกพี่แล้วชุดพวกนี้ทำไมเขาไม่เอาไปด้วย mm hmm. เขาบอกงี้เขาบอกว่าให้เก็บเป็นที่ระลึก mm hmm. เพราะว่าคุณป้าที่เป็ น, นอาพาธอ่ะเป็นอาพาแหัวก็เข็นนะครับคือเหมือนกับว่าเขาเอื้อในการใช้ให้ใช้สถานที่ในการ สอนโดยที่ไม่เก็บค่าอะไรเลยอืมอืมนะคะเพระาะฉะนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากชั้นสองเนี่ยคือพอเดินขึ้นไปบันไดนะพี่บันไดเนี่ยจะอยู่กลางบ้านพอดีครับพอเดินขึ้นไปบันไดยอยู่กลางบ้านมองทางซ้ายก็จะตู้กระจกเรียงกังนุ่มสามตู้ซึ่งมันกว้างมากออืมันกว้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นจากบันไดแล้วเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยอาจจะเดินสักประมาณยี่สิบเก้าจะถึงตู้กระจก หรือแม้แต่เลี้ยวขวาก็าเดินนี้สิบเก้าถึงตุ้กระจกแต่บรรไดตู้กระจกเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่ทางขึ้นบันไดก็จะมีพวกตู้เสื้อผ้าหรือหรือโต๊ะทางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครั บ, รบซึ่งเลียงเลียงกันอยู่โอเคเราผมกับเพื่อนก็มาวงางสศกงานว่าเออหลังจากเราจะฉี่จุดนี้นะเราจะทําจุดนี้จุดนี้นะแล้วก็ให้ลกักษณะเขาอีกทีว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอนกี่โมงอะไรยังไงผมก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับไม่ทราบว่าสรุปตอนเวลากี่โมงครับ เขาบอกว่าขอเวลาเป็นกลางคืนพี่กลางคืนอีกแล้วอออืืผมก็เพื่อนบอกกลางคืนเหรอแล้วกลางคืนเราต้องเราต้องมามาเจอตู้จบทั้งหมดหกตู้เนี่ยนะเอาไงดีแต่พี่เขาบอกว่าช่วยทําหน่อยเถอะเพราะว่าไม่เขาเขาจ้างบริษัทใหญ่ๆเข้ามาทําแต่ไม่มีบริษัทไหนเลยที่กล้าทําอืำทำไมอ่ะ ทั้งๆ ท, ที่แบบพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่เขา<ฆ>เขาคงกลัวอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขากลัวอะไร<ฆ>อย่างนครับอาจจะกลัวตู้หรืออาจจะกลัวป้าหรืออาจจะกลัวอะไรอย่างนี้<ฆ>อ่าผม ก, ก, ก, ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลใจเ<ฆ>พราะตอนนั้นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ใหมก็ถ้ามีลูกค้า ย, ยิ่งเจอะมากๆก็ยิ่งดีเราเรามีเงินเก็บมีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมก็เลยถาม ว, าว่าพี่ตอนกลางคืนเนี่ยสะดวกถึงตอนกี่โมงเ<ฆ>ขาอบอกขอเป็นหลังเช้าคืน เอ่อด้วยเหตุผลอะไรฮะตอนนั้นเขาบอกไหมว่าทําไมต้องหลังเที่ยงคืนเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยพอหลังจากประมาณห้าทุ่มกว่าเนี้ยนะคะคุณป้าเนี่ยเขาจะพาคุณป้าคนนี้ยขึ้นไปนอนซึ่งนอนเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างนะพี่แล้วนอนคนเดียวส่วนตัวคนที่เฝ้าเนี่ยเขาจะกลับไปบ้านอีกหลังหนึง่งครับแล้วพอกลับไปบ้านอีกหลังหนึ่งเนี้ยตรง น, นั้นแหละคุณป้าก็อยู่ด้านหน้าและให้เราสองคนขึ้นไปฉีดวงวนแล้วก็ดูฉีดรอบป้านแล้วก็ล็อกประตูให้เขาหน่อยแล้วก็กลับ แค่นั้นเองอพี่ บ, บอกแค่นั้นมีสเตจแค่นั้น ง, ง่ายๆแต่ไอ้คำง่ายาว่าง่ายๆหลังเที่ยงคืนเนี่ยอมันไม่ง่ายนะครับอโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเราเรามาถึงนี้เราอ้ า, อาโอเคมันคงไม่มีอะไรมั้งเพราะเรามาดีาเรามาดีเราไม่เราเราเราไม่ได้มารายอะไรอโอเคก็รับปากเข้าไปแล้วโอเคได้ดิถ้า ง, งั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มงานตรงนี้เลยแล้วกันครับโอเคเริ่มงานตรงนี้เลย แต่ปรากฏว่าอ่าคนดูแลเขาบอกว่าขอเรื่องเพราะว่าเขายังไม่สะดวกอืมขอเรื่องเป็นอาทิตย์หน้าโอเคอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมหลังจากเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งต่อไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนคนดูแลอืพี่คนนั้นน่ะที่เขามาคุยกับผมพี่ผู้หญิง่ะเขาไม่เขาไม่เขาไม่อยู่แล้วเขาลาออกไปซึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรทําเหมือนเดิม มือนเดิมอย่างที่คุยตกลงเงินไว้กับพี่คนที่แล้วที่เขาลาออกไปอ่ะนะแต่เหมือนเดิมพี่มาหลังเที่ยงคืนแล้วกันบอกโอเคได้ครับหลังจากนั้นในวันทํางานจริงเราเข้ามากันครับคือมาหลังเที่ยงคืนพี่เขารออยู่ตรงประตู น, นะพี่แล้วบ้านเขาอ่ะมันเป็นบ้านลักษณะว่าออยู่ในสวนซึ่งในสวนเนี่ยกว้างมากอืม คือในระยะทางที่เราต้องขับเข้าไปเนี่ยคือเราขับรถเข้าไปในซอยซึ่งซอยเนี่ยมันจะเป็นทะูุตรวจแล้ะทะไล่ไปเรื่อยๆด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นทุ่งทุ่งนาออืส่วนทางซ้ายเนียก็จะเป็นสวนแล้วพอจอสดสุดเลยมันก็จะเป็นแ้านหลังเนี้ยผมก็เข้าไปกับเพื่อนแล้วก็เข้าไปแล้วพี่ก็บอกโอเคน้องก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะออืก็ว่างไปแล้วเขาก็กลับเลยครับผมก็เพื่อนก็เข้าไป พอเข้าไปอ่ะพี่มันมีแต่ต้นกล้วยลมแหลงๆแล้วก็ความมืดแล้วก็หลังเคียงคืนเพื่อนก็บอกว่าทําไมทําไมเราต้องเจอหลังทีิ้งคืนตลอดเลยไม่เข้าใจครับบอกโอเคก็เข้าไปพอเข้าไปประตูอ่ะพอเปิดประตูแรกเข้าไปอ่ะสิ่งที่เห็นก็คือเป็นป้าคนนั้น น, นอนอยู่บนเตียงอืผมก็แปลกใจนะคนรบอพารทําไมเขทิ้งไว้อย่างงี้ <ừ> ไม่มีคนดูแลเลยจริงๆแล้วต้องมีคนดูแลตลอดเนาะ คือจะจระปัสวะตอนกลางค่ํากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ออแล้วทําไมเขาถึงทิ้งเพราะอะไรเราแต่เราก็ไม่ไม่อยากไปเข้าใจเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเขาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็เข้าไปแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนในขณะที่กำลังจะเดินชั้นบนนะพี่อยู่ดีๆได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกนแรงๆปึ้งผมกับเพื่อนก็หยุดแล้วก็ดูกันครับปรากฏว่า เสียงอะ่ะมันดังขึ้นมาครั้งที่สองดังตึ้งอ๋อทีเนี้ยเราอะ่ะเสียงอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะโฟกัสได้แล้วว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเพราะครั้งแรกเราไม่รู้เราตกใจแต่ครั้งทสองเรารู้แล้วว่าเสียงมามาจากป้าคนนั้นมาจากที่กำลังนอนยืมเตียงของป้าคนนั้นเลยเหรอป้าคนนั้นอและสิ่งที่ผมเห็นเ่ยครั้งที่สามก็คือเป็นขาป้าเนี่ยลอยขึ้นสองห้างหรือล้นหลดพร้อมกันดังตึ้ง เหมือนเหมือนเหมือนคนนอนยกขาขึ้นแล้วก็ทิ้งขาลงไปที่ที่ที่เตียงอ๋ออื้นผมก็ตกใจบอกเฮ้ยป้าเขาไม่ได้เป็นอาบ้าที่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยคป้าเขาไม่ได้เป็นอาบ้านี่โอ้ยอ๋อสงสัยป้าเขาเขาคงแกล้งมัน๋้งลองลองคุยกับป้าดูหน่อยก็เข้าไปปรากวดกับป้าให้หลับสนิทอ้าวหลับสนิทเลยออ ไม่ไม่มีอากัศกระยาที่จะสามารถยกขามขึ้นมาแล้ว<ะ>ก็ยืนงงสองคนแล้วอะไรเนี่ยคือไรมันคืออะไรไม่เข้าใจ<ะ>แต่ก็พยายามจะไม่ยุ่งก็เฮ้ยรีิตทําง<ะ>านกับเพื่อนนี่มันหลังพิ่พ์คืนจะตีหนึ่งแล้ว<ะ>อยากทํางานให้มันเสร็จแล้วรีบกลับ<ะ>ไม่อยากอยู่ที่นี่นาะนประหลุบตึกไม่ดี<ะ>ขึ้นไปชั้นบนในขณะที่ก้าวขึ้นไปบนไดแล้วถึงประมาณประมาณ ครึ่งหนึ่งของตัวบ้านนะพี่อได้ยินเสียงขุดเดินอยู่ข้างบนครับคือลักษณะการเดินเนี่ยพี่ไม่ได้เดินแบบเดินธรรมดาแต่เดินเหมือนซอยถีบเหมือนเดินเหมือนอะไรนะเหมือนซอยอะพี่ซอยเท้าจะทีหน่อยจะถีอทีหน่อยใช่ครับพี่แถูกฟัอแต่เสียงที่ซอยเท้าเนี่ยคือมันเป็นเสียงคือถ้าผมฟังไม่ผิดมันเป็นเสียงต้นเท้าออื เหมือนคนเดินด้วยเอาส้นเท้าเดินด้วยส้นเท้าลงลงพื้นตึ้งตด้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งือ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึรงตึ้งอึ้งตึ้งตึ้งแล้งตึ้งตึ้อดถังให้งนเพราะว่าถ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้อ อพอเราต้องดูแลดูแลความปลอดภัยของลูกค้าด้วยแหละอ<ฮ>ะไรหลายอย่าง<ฮ>พี่ค่อยๆเดินขึ้นไปเสียงผีมากกว่าหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นไปอีกเสียงผีมากขึ้นเป็นสองเท่าและสามเท่าออผมกับเพื่อนอ่ะค่อยๆเอาหัวขึ้นไปแล้วก็มอง<ว>สิ่งที่ผมเห็นก็คือนางรำพี่ออ<ว>นางรำประมาณประมาณสี่สี่ผมต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ เล็กตตนสี่คนนะตอนนั้นคือคิดเป็นคนไหมอ้าวเป็นคนดีกว่าอืมอ่ะสี่คนกําลังซอยเท้าและลําอืมลําอยู่บนที่ละกลางแขนละล่ําแล้วและเสียงก็คือเป็นเสียงเหมือนเท้าที่กลางย่าอือมละลําลำลาเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีอือจยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีครือยังคิดว่าค องจะเป็นคนออที่เขามาซ้อมลําอยู่ข้างบนและตื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามขายให้ผลเพื่อทําให้เราไม่ไม่กลัวในสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ตรงนั้นแต่พอมองไปข้างหน้าเสร็จมันจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งที่มันเป็นผู้ชายเป็นนางลัมผู้ชายชุดลัมผู้ชายเปิดตูกระจกครับเขาเปิดประตูกระจกออกมาออืแล้วเขาเดินออกมาแล้วลําต่อออแล้วเขาก็ค่อยลัมลัม ลำเนี่ยสำคัญนะคือเขาค่อยๆซอยเท้ามาตรงมาตรงที่ที่เราเราเร า, เราแอบดูอยู่วะพี่ อ, อคือตอนนั้นเราไม่รู้คิด อ, อะไรอยู่กลัวมากตอนผมผมผมมั่นใจว่าตอนนั้นเราผมกลัวมากๆผมไม่รู้จะทำไงขามันเข้าไม่ออกจะถอยลังหัวจะล้มหล่นลงไปคอหักตายจะขึ้นไปมันเกิดอะไรอยู่อืเพราะสิ่งที่เราเห็นว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่เป็นผู้ชาย ใส่ชุดนางลาและกำลังลําแล้วซอยเท้าเข้ามาอไปสักพักทุกคนหยุดหมดหยุดหมดเลยแล้วก็หันมามองตรงมาใจครับแล้วตกลงใส่หน้าว่ามึงมองอะไรอ๋อเพรนั่นแหละพี่มึงมองอะไรผมกระเพื่อนเกาวิ่งเลยอ๋อพอวิ่งเสร็จมาลงมาประตูมันเปิดไม่ได้ครับมันถูกล็อกกับพี่มัน ม, มันเปิดไม่ได้อ่พี่แล้ว เปิดไม่ได้ทีนี้ทํายังไงอ่ะทำยังไงไม่กล้าหันไม่มองแต่ต้องก็ตกหันไม่มองว่าเขาตามมาหรือยังหรืออะไรต่างต่างนะนะพอผมหันกลับไปข้างหลังคือมันไม่มีนะที่ไม่มีใครนะไม่มีใครตามมาออืแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเป็นป้าป้าคนที่นอนอยู่นะใช่ครับเขารู้ขึ้นมานั่งอั่งเราก็บอกกับป้าว่ากลับกันนล้วเนาะใช่นั้นแ่ละพี่ผมก็เปิดพังประตูแล้วก็ออกมาเลยออื เราบินคือนแล้วกลับเลยครับวันรุ่งขึ้นครับคือหลังจากที่แบบเรากลัวเรารีบกลับแล้วก็คือพยายามไม่พูดอะไรกันแล้ว ก, กลับไปถึงออฟฟิศแล้วละวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตรวจงานเพื่อมาม า, มาดูว่าสภาพที่เราเห็นเมื่อคืนมันเป็นยังไง <S S S 1> คือมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะพี่ไม่ว่าเราจะเจอตรงไหนอะไรยังไงเรา <S S 2> ต้องกลับมาดูก่อนว่ า, วาสิ่งที่เราเห็นอนะมันเป็นภาพมโนของเราเองหรือเปล่าอ <S S 1> หรือ ย, ยังไงพี่เต้าคนนั้นเขาก็ยังนอนอยู่ คนดูแลก็ยังอยู่ออืไปตอนเช้านะครับแล้วตู้ทุกอย่างที่เราเห็นที่ปี น, งนังลำคือมันไม่มีนางลาที่เป็นชุดอ๋อเป็นชุดเฉยๆอ่าใช่มันเป็นชุดซึ่งเป็นชุดที่ลอยอยู่ครับถูกแขวนอยู่ในตู้ทั้งหมดเลยครบตู้ด้วยกันอ๋อครับครับแล้วผมก็เล่าพยายามจะเล่าให้ฟังนะพี่เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นป้ า, าเขาขยับได้นะไมนได้ไม่ได้ได ป้าเขาไปงี้มาตั <shit> ้งหลายปีแล้วครับเขาจะมาขยับขยืดอะไรได้อ่เป็นไปไม่ได้คนเก่าที่เขาเขาพูดมาเออพี่ก็รู้จักเขาไม่มีทางขยับได้เขาไปนำมาพาดตั้งนานเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเขาก็ไปเอาเข็มอ่ะซึ่งเขาจะต้องฉีดฉีดเข็มผมไม่รู้นะว่าฉีดเข็มอะไรอะเป็นยาอะไรมากิ้มป้าเขายังไม่รู้สึกเลยเลยจิ้ตรงนู้ตรงนี้นไม่เห็รู้สึกอะไรเห็นไหมผมก็แปลกใจแล้วป้าเขารู้ขึ้นมาได้ยังไงออแล้วก่อนนี่เราจะขึ้นแมงมุมอ่ะทำไมอยู่ดีๆขาป้าทั้งสอง ลอยมาแล้วตุบลอยแล้วตุบลอยแล้วตุบหรืออย่างนี้ยตลอดเวลาคือทุกวันเนี้ยก็ยังขาคําอบไม่ได้อืเหมือนลักษณะเหมือนมีคนมายกขาป้าแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งปล่อยทิ้งลงพื้นดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ครับใช่โอ้ยโอ้โอทีนี้เนี่ยผมด้วยความสงสัยไงพี่ด้วยความสงสัยผมก็เลยบอกพี่ ผมขอคุยกับเจ้าของบ้านได้ไมื ม, มเพราะผมรู้สึกว่าผมทํางานไม่ได้ถ้าผมเจออะไรที่มันแปลกๆ แ, แล้วมันผิดปกติแบบเนี้เขาก็พยายามถามว่ามันผิดปกติอะไรเหรอผมก็ไม่กล้าเล่าเพราะถ้าเล่าเสร็จอมต้องลาออกแน่ๆเลยครับก็ไม่กล้าเล่าผมก็เลยไปถามเจ้าของบ้านว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้แล้วผมเล่าทุกๆอย่างให้ฟังเพื่อนผมมาอยู่ด้วยแล้วก็เล่าทุกๆอย่างให้ฟังเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นพี่คนนึงอ่ะเป็นผู้ชายเคยมาดูแล คุณป้าคนเนี้ยออเออเขามันยังยังคงมาวนเวียนดูแลคุณต้ายอยู่ออผมบอกว่ายังคงมาวนเวียนเหรอพี่<อ>มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรยังไงเออเ อ, อ, เ อ, อมันคืออะไรเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี้ย อ, อ่าก็อย่างที่รู้กันนะว่าข้างบนเนี่ยเขาเปิดให้สอนค่าตัดสินอสอนลามสอนแต่ไม่เก็บค่าเช่า<ค>ให้อาจารย์เนี่ยที่อยากจะมาอยากจะสอนอะไรเนี้ยแล้วไม่มีสถานที่ให้มาใช้ที่นี่ได้เนี้ยอื ม, อม แล้วมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่คอยเก็บอุปกรณ์คอยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตามอาจารย์อาจารย์สอนคนนี้ก็มาเนี่ยเขามาคอยดูแลคนป้าครับมาคอยยกเท้าให้อ๋อเหรอมาคอยยกเท้าสองค้าให้ออืแต่ยกเท้ายกเท้าไม่ทันไรแล่ะเขาก็วิ่งลงยกเท้าแล้ววิ่งลงออยกเท้าแล้ววิ่งลงครับคือตอนแรกเลยไม่มีใครรู้พอ ม, มนรู้ทีหลังว่าเขา่ามีแบบประสาอีกทีอนึ่ง อ่าในรูปภานษาจรู้ิงๆคือคือคนอื่นดูเนี่ยเหมือนแกจะมาช่วยแต่ใ่เหมือนแกจะมาเออมันมันตรงกันข้ามมันคมันตรงกันข้ามอ๋ออ๋อแล้วพอพอมาพักหลังเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยรู้สึกภาษานไม่ดีแหละแล้วเขามาทําอย่างนี้พฤติกรนี้บ่อยๆอืเจ้ของบ้านเขากเลยสั่งห้ามบอกอาจารย์ว่าเนี่ยคนเนี้เขามาทํำนี้ละแล้วสั่งห้ามห้ามเข้ามาเนียในบ้านอีเด็ดขาดถ้ามาที่นี่อีกครับ ด้วยความที่อ่ะเขาเนี่ยเขาลับไม่ได้อืมหรือเขาอะไรไม่ได้ออืวันวันต่อมาที่เขามาเนี่ยเขามาผูกคอตายอยู่ตรงบันไดบันใดบ้านเนี่ยหรอใช่ครับเฮยเหมือนคนเนบันไ้ที่ผมเดินขึ้นไปนี่แหละเหมือนเขาเป็นโรคประสาทจริงๆนะครับผมออแล้วสําคัญวันนั้นเขาบอกว่าเจ้าของบ้านตอนนี้เขามาดูตกเขาตกใจมากครับคือเขาผูกผูกคอตายในลักษณะที่แบบว่าหันหน้าไปทางป้าออ แล้วปาเนี่ยลืมโปรงไปทางป้าที่กลังนอนอยู่อ๋อออโอ้โหแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าพี่ครับแต่ผมเห็นคุณป้าเขาขึ้นมานั่งออออเขานั่งได้ยังไงอะครับหมอเอาอันนี้พี่อันนี้พี่ไม่เคยเห็นนะคือมันมนั่งได้ยังไงมันเต็มไไม่ได้หรอกนั่งไม่เท่าไรหร่แล้วป้าพูดกับเราด้วยเนี่ยดิเออแ้พูดกับเราด้วยอบอกว่า น้องจริงเหร อ, อหรือหรือหรือสิ่งที่น้องเห็นน่ะไม่ใช่ป้าครับผมก็นังคิดเออว่ะหรือว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่ป้าหรือว่าเปใครที่ทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ใช่ป้าครับ่ก็เออผมก็ได้ถามแล้วก็รู้เรื่องราวแค่นี้<ะ>แล้วก็แล้วก็จบจบในการตัดน า, นาเท่านี้ครับแล้วก็ผมไม่ได้ถามต่ออีกเลยผมก็เลยบอกว่าพี่ผมพอผมพอทํางานตอนกลางวันแล้วครับผมไปทําขอทําตอนกคืน ผมตอนคืนผมไม่สะดวกก็แหละพอถ้าเจอเจอเรื่องแบบนี้วอกได้ไม่เป็นไรเอางี้ละกันแล้วเดี๋ยวน้องมาทำเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้ามาคุมด้วยแค่นั้นจบครับเรื่องราวมันก็มีแค่นี้มันอาจจะเล็กๆไม่ค่อยน้ำขู่แต่เราคนนี้ฟังจริงๆแล้วก็จะมีบางคนผมจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าคือเรื่องพวกเนี้ยคือฟังเอาเอาตื่นเต้นนะคือบางคนฟังไปแล้วอาจจะบอกว่าโห้ยคุณบอย เจอขนาดนั้นเลยเหรอเจอแบบเ<อ>ตู้<ช>ออกมาเดินอดอกมามันลาไม่เห็นวิ่งเข้ามามึงมาทําอะไรอะไรอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยออันนี้แต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยฟังฟังแล้วให้มันตื่นเต้นคือผมฟังแล้วผมผมอินตามที่คุณบอยเล่าอ่ะครับเออฟังแล้วมันแบบโอ้โหเฮ้ยคุณบอยเจอโคตรหนักเลยทั้งสองเรื่องที่เล่ามา โอ้โหพี่คือผมผมผมอยากจะบอกว่าก็ผมผมเข้าใจนะว่าเนี่ยคือที่ผมเล่าจริงๆอ่ะผมบอกว่าตรงนี้เลยว่าผมเจอจริงๆเพื่อนนะครับเพอเจอจริงๆแต่คือบางอะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบกันหรืออะไรหลายอย่างที่แบบมันทําให้บางทีวงที่ไม่ได้เจอหรืออะไรเงี้ยอาจจะคิดตีแบบนึงอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจเขาเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้อ่าใช่ใช่ใ่แ ถ้าเกิดไม่เชื่อก็เป็นไรครับเอาบังก็ได้โอ้แต่แต่นั่นคือคุณบอยก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณบอยเจอมาเจอมาจริงๆครับยืนยันได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยเรื่องราวพวกเนี้ยครับคือถ้าไม่เจอกับตัวเองก็จะไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเจอเน่้มันเป็นยังไงเฮ้ยบางคนเจอหนักกว่านี่นะบางคนเจอแบบว่าเหมือนในหนังเลยก็มีละ เอออะไรประมาณนี้ฟังว่ามันขนลุกก็พอแล้วโอ้ผมผมได้ผมได้ฟังเรื่องของป้าแมวครับครับอ่าเรื่องเรื่องบ้านบ้านหลอนอะไรนะใช่บ้านชวนผวาลักษณะคล้ายคลกันนะคล้ายคล้ายกันกับผมที่ผมเจอเลยผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เจอแบบเนี้ยคนเดียวครับครับอ่มันจะเป็นอย่างไงนะครับโอป้าแมวนั่นที่เจอก็หนักเหมือนกันนะครับผมหนักเลยนะครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโอ้โหเรื่องของคุณบอยนี่ก็หนักเหมือนกัน โอ้เอาโผล่น้ำตาไหลเลยเนี่ยโอ้นะครับอ้าวได้ครับคุณบอยนั่นคือทั้งสองเรื่องขอบพระคุณมากมคุณบอยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือจริงๆยังมีอีกต้องผูเจอมากมาเลยนะคุณบอยนะถ้าว่างเมื่อไหร่นะผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านรอคุณบอยเหมือนเขารอคุณคิงรอป้าแมวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณบอยน่าจะติดอันดับไปแล้วล่ะตอนเนี้ยนะครับหลายคนน่าชอบวิธีการเล่าเรื่องวิธีการพูดวิธีการลําดับเรื่องของคุณบอยโอเคครับดีมากเลย อเออผมขอขอเล่าสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมฮะฮะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับขอสั้นๆอ่าอ่า่าได้ได้ไดอ่านะครับคืออันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมหลังจากที่ทํางานกันเสร็จประมาณตีสามเพื่อนผมก็ขับรถกลับออฟฟิศางเนี้ยพอออฟฟิศผมเนี้ยมันจะมีต้นต้นทรอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากนะฮะแล้วเพื่อนผมมันก็จะชอบขับรถไปจอดตายต้นทราแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกแล้วนอนอืปรากฏว่าในขณะนอนเนี่ย อ่ารู้สึกกับใครายับคาเหมือนเซลุมเซลือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกระปโปรงรถทั้งหน้าอืมอ่าแล้วก็ไมไ่ไม่ได้หันหน้ามานะครับครับอ่าแล้วเขาก็พูดเขาเขาก็ พ, พูดแบบ ล, ลอยว่าไปไหมอืมอืไปไหมครับแล้วก็เสียงเร่งเสียงคืนเลยไปไหมแล้วก็ฮิฮิฮิฮอืมคืนบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปอย่างเงี้ยครับ บอกไปไหมมึงไปไหมมึงไปไหมลิงแล้วเพื่อนบอกว่าสะดุ้งมาแล้วก็มาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันมืดเต็มหมดอ่าฮะเพื่องผมตกใจกเส็จขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็นอนอยู่ในนั้นอ่าถึงขนาดต้องขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศชนเลยอ่ะฮะชนเลยครับ<อ>ัวนากคือลักษณะเหมือนกับเขาเนี่ยกึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนครึ่งเหมือนจะฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่โ อ, อ้แต่ลักษณะ<ด>คือมันเหมือนจริงเหมือนมีคนมาชวนไปไหมไปไม<อ>หมไปไหมแต่พอสะดุง้งขึ้นมาปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่มันหลอนใช่โอ้โแล้วเขาก็เลยขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศเลยขับขับขับโอ้แมทแต่และเรื่องของคุณบอยนะั้นเรื่องสั้นๆยังยังฟังแล้วแบบเออนะฮะโอกาสหน้าแล้วคุณบอยนะถ้าว่างนะนะครับใชิ้งกางมาได้ตลอดเลยฮะเอาที่คุณคุณบอยสะดวกแล้วกันนา ได้ครับโอเคได้ครับคุณบอยอยังไงคืนนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับครับผมขอบคุณพี่แจ็กมากนะครับเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับ The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner Gas Gas ฝากง่ายจา่ายคงรับประกการเงิน 100%